ขั้นตอนการปฏิบัติธรรมของข้าพเจ้าสติเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติกรรมฐานหรือการสแสวงหาความสงบ เพราะจิตที่จะสงบได้นั้นจะต้องมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวไว้เป็นหลักของใจจึงจำเป็นที่จะต้องมีสติและลึกรู้อยู่กับคำบริกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งได้แก่พุทโธธรรมโมสังโฆหรื อ, อานาปานาสติเป็นต้นการปฏิบัติสมถกรรมฐานนั้นมีมากมายดังที่ทราบกันอยู่แล้ว ขึ้นอยู่กับจริตนิสัยของแต่ละคนว่าคำบริกรรมบทใดที่จะทำให้ใจเรามีความสงบร่มเย็นลงได้ก็ใช้คำบริกรรมบทนั้นๆเป็นการงานของจิตโดยมีสติสัมปชัญญะเป็นผู้ดูแลรักษาให้จิตทำงานอยู่เพียงจุดเดียวเท่านั้นสติที่ะระลึกรู้อยู่กับคำบริกรรมจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในการปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง เมื่อมีสติสัมปชัญญะเป็นผู้ควบคุมอยู่เช่นนี้จิตใจก็จะไม่ไหลไปตามอารมณ์ที่เกิดขึ้นท้งหูตาจมูกลิ้นกายใจเมื่อจิตไม่ไหลไปตามอารมณ์เหล่านี้จิตก็จะนิ่งอยู่กับความสงบสุขเพลิดเพลินอยู่ในความว่างสติจะเริ่มมีกาลังมากขึ้นเป็นลำดับ จิตใจเริ่มได้รับรู้แล้วว่าความสุขที่แท้จริงนั้นมีอยู่แล้วภายในจิตใจของเราเองเป็นหลักใหญ่โดยไม่ต้องอาศัยสิ่งอื่นนั่นหมายถึงจิตใจที่รู้จักอิ่มพอในสิ่งที่มีอยู่ปล่อยวางในสิ่งที่ต้องการไม่ทะเยอทะยานในสิ่งที่เอื้อไม่ถึงเป็นจิตที่สงบร่มเย็นเป็นปกติอยู่ตลอดเวลา เพราะมีสติสัมปชัญญะคอยดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดจึงเป็นสัมมาสติที่ดำรงอย่างถูกต้องมั่นคงสามารถควบคุมจิตใจไม่ให้ยึดติดในสิ่งที่พอใจบ้างไม่พอใจบ้างดีใจบ้างเสียใจบ้างทุกข์สุขไปตามอารมณ์ที่ผันผวนอยู่ตลอดเวลาโดยมีสังขารความคิดเป็นเหตุ มีกิเลสคือความโลภโกรธหลงเป็นผู้สั่งการเป็นวัฏจักรหมุนเวียนเปลี่ยนไปเป็นภพชาติเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดอยู่อย่างนี้ไม่มีวันจบสิ้นลงได้ทุกกระทมอย่างแสนสาหัสในชาติที่สุดแสนกันดาล น, นั้นจึงจําเป็นจะต้องมีการปฏิบัติด้วยการมีสติสัมปชัญญะ เพื่อรักษาจิตใจของตนให้เป็นปกติสุขโดยมีทานศีลภาวนาเป็นต้นทั้งนี้ก็เพื่อปลดปล่อยจิตใจอันเป็นสิ่งที่ไม่ตายนี้ให้พ้นไปจากวัฏฏานี้ให้จงได้ดังนั้นข้าพเจ้าจึงสนใจธรรมะมาโดยตลอดแต่ปฏิบัติจริงๆเมื่อปีพศ2529 โดยมีพระอาจารย์สองรูปท่านได้ความเมตตาแนะนำสั่งสอนข้าพเจ้าตลอดมาจึงขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ทุกๆององมาณโอกาสนี้ด้วยที่ท่านเมตตาข้าพเจ้าเป็นอย่างมาก